สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากเสรษฐีพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่7ซึ่งเป็นถ้อยคาที่19จนถึงถ้อยคําที่22ครับพี่น้องครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอยาคิดวิษยาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขา เพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทารุณและลิ้นฟิปาาของเขาพูดการปัุษร้ายเรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญาและสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจโดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิน้นคนฉลาดมีกำลังมากและคนมีความรู้ก็เพิ่มกาลังขึ้นเพราะว่าโดยการนาที่ฉลาดเจ้าก็เข้าสงครามได้และด้วย มีที่ปรึกษามากๆก็มีชัยชนะสำหรับคนโง่นั้นปัญญาสูงเกินไปที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูดพี่น้องครับเราจะมาเริ่มต้นนะครับถ้อยคำที่19้ถ้อยคาที่19ได้บอกว่าอย่าคิดริษยาคนชั่วตักเตือนเราครับไม่ให้อิจฉาคนชั่วร้ายพี่น้องครับและอย่าปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับเขาหมายความว่าอย่าคบกับเขาเป็นเพื่อน นะครับเป็นเพื่อนสนิทเพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทารณุณและลิมฟิป่าของเขานั้นพูดการประทุษร้ายเหตุผลที่พระกมภีร์ไม่ให้อิจฉาคนบาปหรือคนชั่วเพราะว่าคนชั่วพวกนี้นั้นไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตในที่นี้หมายถึงว่าหลังความตายครับเพราะว่าคนบาปและคนชั่วที่ไม่กลับใจพี่น้องครับในขณะที่เราดําเนินชีวิตด้วยกันกับคนชั่วอยู่ในโลกนี้พยายามหลีกห่างครับเพราะว่า คนเหล่านี้เป็นคนที่วางแผนการร้ายครับวางแผนการก่อการร้ายวางแผนการที่ทารุณ น, นะครับและเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพูดเกี่ยวกับปัญหานะครับติชินนินทาพูดให้ร้ายพูดใส่ความให้ร้ายป้ายสีต่างๆนี้ก็จะนำไปถึงสิ่งที่เป็นการทำร้ายทาลายทีนี้ครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจนะครับอยู่ภายในของเขา นะครับมันก็ระบายออกมาเป็นคำพูดนะครับที่ริมฝีปากเพราะฉะนั้นการประทุษร้ายหมายความว่าเป็นการจงใจที่จะให้ร้ายนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะอยู่ห่างจากคนชั่วร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายเหมือนกับที่คาของคาตรัสของพระเยซูที่สอนให้เราอธิษฐานว่าขอให้ข้าพุ่งทั้งหลายได้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายต่อไปเป็นถ้อยคําที่20ครับ ถ้อยคำที่20บอกว่าเรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญาและสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจโดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิ้นถ้อยคำที่20นี้ประโยคที่20นี้นะครับพูดถึงเรื่องของการวางแผนชั่วการวางแผนชั่วนั้นก็อยู่ในถ้อยคำที่19ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ผ่านไปแล้วนะครับพอมาถ้อยคาที่20นั้นก็พูดถึงเรื่องสติปัญญา พี่น้องครับคนที่มีสติปัญญานั้นจะอยู่ห่างจากคนที่ชั่วร้ายและวางแผนชั่วร้ายด้วยเพราะฉะนั้นโดยปัญญาโดยความเข้าใจโดยความรอบรู้บ้านของเราจะถูกสร้างและถูกสถาปนาขึ้นเติมเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าพี่น้องครับในข้อพระพีข้อนี้อาจจะเล็งถึงการสร้างบ้านจริงๆนะครับหรืออาจจะหมายถึงการดูแลธุรกิจและหมายถึงบ้านและครอบครัวด้วยครับ บ้านที่เราอยู่อาศัยเป็นครอบครัวนี่นะครับมีความสำคัญมากเพราะว่าบ้านของเราจะต้องสร้างด้วยปัญญาสร้างด้วยความเข้าใจสร้างด้วยความรอบรู้สร้างด้วยความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับความโง่และความบาปนั้นจะไม่ช่วยให้เกิดความมั่นคงและความมั่งคั่งมั่งคั่งในพระพรและมั่งคั่งในความรักของพระเจ้ามั่งคั่งในจิตใจแห่งการให้ตรงกันข้ามครับปัญญาความจริง ความเข้าใจความรอบรู้จะช่วยให้บ้านของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปครับข้อ5ที่6เป็นถ้อยคำที่21ถ้อยคาที่ย1่นั้นบอกว่าคนฉลาดมีกำลังมากและคนที่มีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้นเพราะว่าโดยการนำที่ฉลาดเจ้าก็เข้าสงครามได้และมีที่ปรึกษามากๆ ก, ก็มีชัยชนะพี่น้องครับถ้อยคานี้นะครับก็ยังจะทาให้ คนที่ฉลาดจะมีกำลังมากครับคำว่ากำลังมากหมายความว่าเขาสามารถมีชัยชนะในสงครามการนำของเขานั้นก็จะเกิดจากความรู้นะครับเพราะว่าเป็นการนำที่ฉลาดและเขาจะหาที่ปรึกษาครับในด้านต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาได้พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าคนฉลาดนั้น ต้องไม่พึ่งพาตัวเองอย่างเดียวเขาจะต้องพึ่งพาพระเจ้าและพึ่งพาคนอื่นๆก็คือพวกที่ปรึกษาเพิ่มเติมความขาดของตัวเองครับเพิ่มเติมความไม่รู้ของตัวเองไม่มีใครรู้หมดไม่มีใครเก่งทุกอย่างและไม่มีใครมีความสามารถนอกจากพระเจ้าครับจะรู้หมดทุกอย่างและมีริธานุภาพสูงสุดและสถิตยอยู่ทั่วทุกแห่งทุหนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทาสงคราม ในโลกนี้การที่เราจะมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆในโลกนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิชิตอุปสรรคด้วยความเข้าใจนะโดยรูปแบบของพระคัมภีร์ครับที่จะใช้ประยุกต์กับชีวิตของตัวเองโดยพ่อยิ่งในแง่ของศีลธรรมคุณธรรมทั้งหลายพี่น้องครับการที่พระเจ้าได้บอกให้เรามีที่ปรึกษามากมายนะครับก็หมายความว่าคนเหล่านี้จะได้อธิบาย ความเป็นไปเป็นมาของการทรงนำของพระเจ้าได้ <c oughs> ของน้ำพรไทัยของพระเจ้าได้โดยพี่น้องเหล่านี้หรือท่านผู้วุโสเหล่านี้หรือที่ปรึกษาเหล่านี้เขาจะสามารถแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ความสัตย์ซื่อของพระองค์พระสติปัญญาของพระเจ้าตลอดจนการทรงนำของพระองค์ประสบการณ์ที่มีอยู่ในชีวิตของแต่ละท่านนั้นถูกกลั่นกรองและถูกลอล้อมออกมาทาให้คาปรึกษาเหล่านั้น เป็นคำภาษาที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราจะต้องมีที่ปรึกษาและให้เกียรติที่ปรึกษาการให้เกียรติที่ปรึกษานั้นหมายความว่ายกย่องท่านครับและเชื่อฟังท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องยกย่องพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้าและเราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ต่อไปครับเป็นถ้อยคําสุดท้ายของวันนี้คือถ้อยคําที่22 ถ้อยคำที่ยียนั้นบอกว่าสําหรับคนโง่นั้นปัญญาสูงเกินไปที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูดปัญญาสูงเกินครับสูงเกินการเอื้อมของคนโง่เพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหานะครับคนโง่ก็จะไม่สแสวงหาคําแนะนําไม่สแสวงหาที่ปรึกษาพี่น้องครับที่ประตูเมืองนั้นเต็มไปด้วยผู้รู้เต็มไปด้วยผู้นําในอดีตนะครับสมัยโบราณ คนเขาจะชุมนุมกันที่ประตูเมืองครับเพราะประตูเมืองนั้นเป็นประตูที่คนชอบทำคนมีความสามารถคนมีความรู้คนมีสติปัญญาผู้นําเข้าไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแหละครับเป็นที่ดีที่สุดที่จะรับคําปรึกษาในสมัยโบราณเพียงครับ hmm. แต่ปัญญานั้นอยู่สูงเกินการเอื้อมของคนโง่คนโง่นั้นครับเขาไม่ใช้ประโยชน์ครับไม่ใช้ประโยชน์ของที่ปรึกษาไม่ใช้ประโยชน์ของสถานที่ ที่เป็นศูนย์รวมของคำที่มีสติปัญญาทั้งหลายเพียงครับและไม่เพียงแต่เขาไม่สนใจเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจหรือพูดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถรับได้ครับและเวลาพูดเขาก็พูดไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะต้องรับทราบครับถ้าอะไรใครก็ตามที่ทำงานกับคนโง่นะครับ เขาฟังไม่รู้เรื่องในเวลาเดียกันเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับในการที่พ่อพีได้สอนเราครับว่าสําหรับคนโง่นั้นปัญญาอยู่สูงเกินไปที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแท็กทุกท่านครับอาเมน